1> 1. ทุตวะหนึ่งขิหิจจะอรหะติคาถาว่าด้วยขรหัดเป็นพระอรหันต์สามร้อยแปสิบเจ็ดสกขรหัดเป็นพระอรหันต์ได้ใช่ไหมปรใช่สกขิหิสังโยชน์ของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกขิหิสังโยชน์ของพระอรหันต์ไม่มีใช่ไหมปรใช่ สกหากขี่หิสังโยชน์ของพระอรหันต์ไม่มีท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระหัสเป็นพระอรหันต์ได้สกพระหัสเป็นพระอรหันต์ได้ใช่ไหมปอรอใช่สกขี้หิสังโยชน์พระอรหันต์ละได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทําให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ใช่ไหมปอรอใช่ สกหากขีหิสังโยตพระอรหันละได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทําให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าครหัดเป็นพระอรหันได้สกครหัดเป็นพระอรหันได้ใช่ไหมปรใช่สกครหัดบางคนละขี่หิสังโยตยังไม่ได้ แต่ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมป ร, รไม่มีสกหากครหัดบังพลละขี่หิสังโยชน์ยังไม่ได้แต่ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันไม่มีท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าครหัดเป็นพระ อ, ร ห, ร, อ, อรหันต์ได้สกครหัดเป็นพระอรหันต์ได้ใช่ไหมป ร, รใช่สกพระสูตรที่ว่าว่จโจโคตรปริภาชก ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมพระหัสบางคนผู้ยังละขีหิสังโยชน์ไม่ได้หลังจากตายแล้วทําที่สุดแห่งทุกข์ได้มีอยู่หรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าวัชชะพระหัสผู้ยังละขิหิสังโยชนิยังไม่ได้หลังจากตายแล้วย่อมทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ไม่มีเลยมีอยู่จริงไม่ใช่หรือปอรอใช่สอกอ ดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าครรภัจเป็นพระอรหันได้สกครหภัจเป็นพระอรหันได้ใช่ไหมบรอใช่สกพระอรหันพึงเสดเมถุนธรรมพึงให้เมถุนธรรมเกิดขึ้นพึงอยู่ครอบครองที่นอนซึ่งยัดเยียดด้วยบุตรพึงใช้ผ้ากาเสิกะพัทและจุนจันพึงทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องรูบไล้พึงยินดีทองและเงินพึงรับแพะแกะ ไก่สุกรช้างวัวมา้าลานกกระทานกคุ้มหางนกยูงพึงทรงเครื่องประดับมวยผมที่มีรักกล้าวสีเหลืองทรงผ้าขาวมีชายยาวเป็นผู้ครองเรือนจนตลอดชีวิตใช่ไหมปอรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปอรท่านไม่ยอมรับว่าครหัสเป็นพระอรหันต์ได้ใช่ไหมสกใช่ปอรยะสะกุลบุตร อุติยะข้าพดี๋เสตุมานพบรรลุอาราตผลขณะมีเพศครหัสมิใช่หรือสอกอใช่ปรหากยะกุรบุตรอุติยะข้าพดี๋เสตุมานพบรรลุอาราตผลขณะมีเพศครหัต ด, ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าครหัตเป็นพระอรหันได้ทิหิจอรหะติขถาจบสองอุปติขถา ว่าด้วยการปฏิสนธิสามร้อยแปดสิบปดสกบุคคลเป็นพระอรหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิได้ใช่ไหมปรใช่สกเป็นพระโสดาบันพร้อมกับการปฏิสนธิได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเป็นพระอรหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิได้ใช่ไหมปรใช่สก เป็นพระสกทาคามีพร้อมกับการปฏิสนธิได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเป็นพระอรหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิได้ใช่ไหมปรใช่สกเป็นพระอนาคามีพร้อมกับการปฏิสนธิได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเป็นพระโสดาบันพร้อมกับการปฏิสนธิไม่ได้ใช่ไหมปรใช่ สกหากเป็นพระโสดาบันพร้อมกับการปฏิสนธิไม่ได้ท่านก็มีควรยอมรับว่าเป็นพระอรหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิได้สกเป็นพระสกทาคามีพร้อมกับการปฏิสนธิไม่ได้ใช่ไหมปรใช่สกหากเป็นพระสกทาคามีพร้อมกับการปฏิสนธิไม่ได้ท่านก็มีควรยอมรับว่าเป็นพระอรหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิได้สก เป็นพระอนาคามีพร้อมกับการปฏิสนธิไม่ได้ใช่ไหมปรใช่สกหากเป็นพระอนาคามีพร้อมกับการปฏิสนธิไม่ได้ท่านก็มีควรยอมรับว่าเป็นพระอรหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิได้สามร้อยแปดิบเก้าสกเป็นพระอรหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิได้ใช่ไหมปรใช่สก พระสารีบุตรเทระเป็นพระอรหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระมหาโมคลานเถระพระมหากัสปะเถระพระมหากัจจายนเถระพระมหาโกธิกะเถระพระมหาปันทกะเถระเป็นพระอรหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก พระสารีบุตรเทระไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิใช่ไหมปรใช่สกหากพระสารีบุตรเทระไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์พร้อม ก, กับการปฏิสนธิท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเป็นพระอาหารหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิได้สกพระมหาโมคคลานเถระพระมห ah ากัสสะเถระพระมห ah ากัจจายนเถระพระมหาโกติกะเถระ พระมหาปันตะกะเทระไม่ได้เป็นพระอรหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิใช่ไหมปรใช่สกหากพระมหาปันตะกะเทระไม่ได้เป็นพระอรหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิท่านก็มีควรยอมรับว่าเป็นพระอรหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิได้สามเก้าสิสกเป็นพระอรหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิได้ใช่ไหมปรใช่สก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 ไม่เป็นอารมณ์ของสังกิเลใช่ไหมปอรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกปฏิสนธิจิตไม่เป็นเหตุนำสัตว์ออกจากวัฏทุกข์ไม่ให้ถึงความสิ้นกิเลสไม่ให้ถึงความตรัสรู้ไม่ใถึงนิพพานเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นอารมณ์ของสังกิเลไม่ใช่หรือปอรรใช่สกหากปฏิสนธิจิตไม่เป็นเหตุนำสัตว์ออกจากวัฏทุกข์ไม่ให้ถึงความรสร eso, ิมน้นกิเลส ไม่ให้ถึงความตัดรู้ไม่ให้ถึงนิพานเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นอารมณ์ของสังกิเลสท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเป็นพระอรหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิได้สกเป็นพระอรหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิได้ใช่ไหมปอรอใช่สกบุคคลและราคะโทสะโมหะอนโนตตปะได้ด้วยปฏิสนธิจิตใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกเป็นพระอรหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิได้ใช่ไหมปรใช่สกปฏิสนธิจิตเป็นมรรคเป็นสติปัทานเป็นสัมมาปทานเป็นอิทิบาทเป็นอินรีเป็นะละเป็นโภชงได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเป็นพระอรหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิได้ใช่ไหมปรใช่สก บุคคลกำหนดรู้ทุกและสมุทัยทำให้แจ้งนิโรธเจริญมากด้วยปฏิสนธิจิตได้ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเป็นพระอรหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิได้ใช่ไหมปอรอใช่สกจุติจิตเป็นมัคคิจิตปฏิสนธิจิตเป็นผลละจิตได้ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปุปติกถาจบ 3. อ น, นาสวากถาว่าด้วยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาวสวา391สกสภาวธรรมทั้งปวงของพระอรหันต์ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะใช่ไหมปอรอใช่สกสภาวธรรมทั้งปวงของพระอรหันต์เป็นมัจผลนิพพานสวดาปฏิมัจสาวดาปฏิผลสกทาคามิมัจสกทาคามิผล อนาคามิมักอนาคามิผลอรหัตมักอรหัตผลสติปทานสัมมปทานอิทธิบาทอินทร์ภาละพุทธชงใช่ไหมปอรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสรรภาวะธรรมทั้งปวงของพระอรหันต์ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะใช่ไหมปอรใช่สอกอจักสุของพระอรหันต์ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะใช่ไหม ปอรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกจักสุของพระอรหันต์ไม่เป็นอารมณ์ของอาจวะใช่ไหมปอรใช่สกจักสุของพระอรหันต์เป็นมัคผลนิพพานโสดาปติมัคโสดาปติผลพว้ชงใช่ไหมปอรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกโสตะภาณะชิวหากายของพระอรหันต์ไม่เป็นอารมณ์ของอาจวะใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกายของพระอรหันต์ไม่เป็นอารมณ์ของอาจวะใช่ไหมปรใช่สกกายของพระอรหันต์เป็นมัคผลนิพพานโสดาปฏิมัคโสดาปฏิผลโพชงใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกายของพระอรหันต์ไม่เป็นอารมณ์ของอาจวะใช่ไหมปรใช่สก กายของพระอรหันยังถูกยกย่องและถูกข่มถูกตัดและทำลายเป็นของทั่วไปแต่ฝูงกาแร้งและเหี่ยวใช่ไหมปอรอใช่สกสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาจวะยังถูกยกย่องและถูกข่มยังถูกตัดและทำลายเป็นของทั่วไปแต่ฝูงกาแร้งและเหี่ยวใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกยาพิษศสสาสตร์ ไฟพึงกล่อมกลายเข้าไปในกายของพระอรหันต์ได้ใช่ไหมปรใช่สกยาพิษศา ส, สตราไฟพึงกล่อมกลายเข้าไปในสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกายของพระอรหันต์ยังถูกจองจําด้วยเครื่องจองจําคือขือคาเครื่องจองจําคือเชือกเครื่องจองจําคือโซ่ตรวนเครื่องจองจําคือบ้าน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 เครื่องจองจํำคือชนบทด้วยการจองจํามีการผูกที่คอเป็นที่ห้าใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสามรก้าสสอกอหาพระอรหันต์ให้จีวรนเก่ดปุตุชนจีวรนั้นไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะแล้วเป็นอารมณ์ของอาสวะได้ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกจีวรนนั้นไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ แล้วเป็นอารมณ์ของอาสะวะได้ใช่ไหมปรใช่สกจีวรที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสะวะกับจีวรที่เป็นอารมณ <tok> <í uz. S 2> ์ของอาสวะเป็นอันเดียวกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกจีวรที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะกับจีวรที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นอันเดียวกันใช่ไหมปรใช่สกมักไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ แล้วเป็นอารมณ์ของอาจวะได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพน้นสติปทานสัมมปรปทานอิทิบาทอินรีพร ะ, ระโพชงไม่เป็นอารมณ์ของอาจวะแต่เป็นอารมณ์ของอาจวะได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกหากพระอรหันต์ให้บินทบาทเสนาสนะทีลานปัจัยเพศจารบริการาแก่พุทุชน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 สกสิ่งที่ไม่เป็นอารมณ์ของอ า, าวสวะกับจีวรที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นอันเดียวกันใช่ไหมปรอใช่สกมักไม่เป็นอารมณ์อของอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะได้ใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพ้นสติปฐานสมปทานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชงไม่เป็นอ <kor perform S 2> ารมณ์ของอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะได้ใช่ไหม ปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกหากปุถุชนถวายจีวอนแก่พระอรหันต์จีวอนนั้นเป็นอารมณ์ของอาสวะแล้วไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะใช่ไหมปอร์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกจีวอนนั้นเป็นอารมณ์ของอาสวะแล้วไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะได้ใช่ไหมปอรอใช่สกสิ่งที่เป็นอารมณ์ของอาสวะกับจีวรที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ เป็นอันเดียวกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสิ่งที่เป็นอารมณ์ของอาสะวะกับจีวรที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสะวะเป็นอันเดียวกันใช่ไหมปรใช่สกราคาเป็นอารมณ์ของอาสะวะแล้วไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกโทสะโมหะอโนตปะเป็นอารมณ์ของอาสวะ แล้วไม่เป็นอารมณ์ของอาจวะได้ใช่ไหมปอรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอหากปุถุชนถวายบิณฑบาตสนาชนะคีลานะปัจัยเพศปิขาแก่พระอรหันต์คีลานะปัจจัยเพศปิขารนั้นเป็นอารมณ์ของอาจวะแล้วไม่เป็นอารมณ์ของอาจวะได้ใช่ไหมปรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอคิลานะปัจจัยเพศปิขารนั้นเป็นอารมณ์ของอาจวะ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 แล้วไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะได้ใช่ไหมปอรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกโทสะโมหะอโนตปะเป็นอารมณ์ของอาสวะแล้วไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะได้ใช่ไหมปอรรไม่วควรกล่าวอย่างนั้นปอรรท่านไม่ยอมรับว่าสภาวะธรรมทัท้งปวงของพระอรหันต์ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะใช่ไหมสกใช่ปอรรพระอรหันต์เป็นผู้ไม่มีอาสวะไม่ใช่หรือ สกใช่ปรหาพระอรหันต์เป็นผู้ไม่มีอาสะวะดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าสภาวะธรรมทั้งปวงของพระอรหันต์ไม่เป็นอารมณ์ของอาสะวะอนาสะวะคถาจบสสมมาคตคาถาว่าด้วยผู้บริบูรณ์393กสกพระอรหันต์บริบูรณ์ด้วยผลสีใช่ไหมปรใช่ สอกอพระอาหารหันต์บริบูรณ์ด้วยภาษสี่เวทนาสี่สัญญาสี่เคตนาสี่จิตสี่ ส, สัทธาสี่วิรยิยะสี่สติสี่สมาธิสี่ปัญญาสี่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอพระอนาคามีบริบูรณ์ด้วยผลสามใช่ไหมปรใช่สอกอพระอนาคามีบริบูรณ์ด้วยภาษะสาม ปัญญาสามใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระสกทาคามีบริบูรณ์ด้วยผลสองใช่ไหมปรใช่สกพระสกทาคามีบริบูรณ์ด้วยภรรษาสองปัญญาสองใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอรหันต์บริบูร์ด้วยโสดาปฏิผลใช่ไหมปรใช่สกพระอรหันต์เป็นพระโสดาบัน ผู้สัตติักดขตุปรมะโกลังโกละเอขะพีชีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอรหันต์บร um <Yeah. S 1> ิบูรณ์ด้วยสกทาคามิผลใช่ไหมปรใช่สกพระอรหันต์เป็นพระสกทาคามีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอรหันต์บริบูรณ์ด้วยอนาคามิผลใช่ไหมปรใช่สก พระอาหารหันต์เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปริญพายีอุปหัเจปรินิญพายีอสังขาระปริญพายีสังขาระปริญพายีอุทังโสโตโอคติถัาคามีใช่ไหมปอรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอพระอนาคามีบริบุญด้วยโสดาปฏิผลใช่ไหมปอรรใช่สอกอพระอนาคามีเป็นพระโสดาบันผู้สัตตัคตุปรม a โกลังโกละเอกภีชีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอนาคามีบริบูรณ์ด้วยสกะทาคามิผลใช่ไหมปรใช่สอกอรพระอนาคามีเป็นพระสกทาคามีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอรพระสกทาคามีบริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิผลใช่ไหมปรใช่สอกอ พระสกธาคามีเป็นพระโสดาบันผู้สัตตคัตุประมะโกลังโกละเอกพีชีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสามกสกผู้บริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิพันธ์ท่านยอมรับว่าเป็นพระโสดาบันใช่ไหมปรใช่สกพระอรหันต์บริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิพันธใช่ไหมปรใช่สก พระอรหันต์กับพระโสดาบันเป็นองค์เดียวกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกผู้บริบูรณ์ด้วยสกทาคามิผลท่านยอมรับว่าเป็นพระสกะทาคามีใช่ไหมปรใช่สกพระอรหันต์บริบูรณ์ด้วยสกทาคามิผลใช่ไหมปรใช่สกพระอรหันต์กับพระสกะทาคามีเป็นองค์เดียวกันใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกผู้บริบูรณ์ด้วยอนาคามิผลท่านยอมรับว่าเป็นพระอนาคามีใช่ไหมปรใช่สกพระอรหันต์บริบูรณ์ด้วยอนาคามิผลใช่ไหมปรใช่สกพระอรหันต์กับพระอนาคามีเป็นองค์เดียวกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกผู้บริบูรณ์ด้วยโสดาปิผล ท่านยอมรับว่าเป็นพระโสดาบันใช่ไหมปร ổ, ใช่สกพระอนาคามีบริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิผลใช่ไหมปรใช่สกพระอนาคามีกับพระโสดาบันเป็นองค์เดียวกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกผู้บริบูรณ์ด้วยสะกะทาคามิผลท่านยอมรับว่าเป็นพระสะกะทาคามีใช่ไหมปรใช่สก พระอนาคามีบริบูรณ์ด้วยสกทาคามิผลใช่ไหมปรใช่สกพระอนาคามีกับพระสกะทาคามีเป็นองค์เดียวกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกผู้บริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิพันธท่านยอมรับว่าเป็นพระสโสดาบัน ใ, ใช่ไหมปรใช่สกพระสกะทาคามีบริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิพันธใช่ไหมปรใช่ สกพระสกทาคามีกับพระโสดาบันเป็นองค์เดียวกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสามร้ก้าสกพระอรหันต์บริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิพันธใช่ไหมปรใช่สกพระอรหันต์ล่วงเลยโสดาปฏิพันธไปแล้วมิใช่หรือปรใช่สกพระอรหันต์ล่วงเลยโสดาปฏิพันธไปแล้วท่านก็มีควรยอมรับว่า พระอาหารหันต์บริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิผลสกพระอาหารหันต์ล่วงเลยโสดาปฏิผลไปแล้วชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิผลนั้นใช่ไหมปรใช่สกพระอาหารหันต์ล่วงเลยโสดาปฏิมักไปแล้วล่วงเลยสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลปะตะปรามาตราคะโทสะโมหะที่เป็นเหตุให้จัดไปสู่อบายได้แล้วชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยสภาวะธรรม มีสักกยทิฏฐิเป็นต้นนั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอรหันต์บริบูรณ์ด้วยสักกะทาคามิผลใช่ไหมปรใช่สกพระอรหันต์ล่วงเลยสกะทาคามิผลไปแล้วมิใช่หรือปรใช่สกหากพระอรหันต์ล่วงเลยสกะทาคามิผลไปแล้วท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันต์บริบูรณ์ด้วยสักกะทาคามิผล สกพระอรหันต์ล่วงเลยสกะทาคามิผลไปแล้วชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยสกะทาคามิผลนั้นใช่ไหมปรใช่สกพระอรหันต์ล่วงเลยสกะทาคามิมักไปแล้วล่วงเลยกามราคะอย่างหยาบพยาบาทอย่างหยาบได้แล้วชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยกลางมราคะและพยาบาทนั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก พระอรหันต์บริบูรณ์ด้วยอนาคามิผลใช่ไหมปรใช่สกพระอรหันต์ล่วงเลยอนาคามิผลไปแล้วมิใช่หรือปรใช่สกหากพระอรหันต์ล่วงเลยอนาคามิผลไปแล้วท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันต์บริบูรณ์ด้วยอนาคามิผลสกพระอรหันต์ล่วงเลยอนาคามิผลไปแล้วชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยอนาคามิผลนั้นใช่ไหม ปรใช่สกพระอรหันต์ล่วงเลยอนาคามิมรักไปแล้วล่วงเลยการมาราคะอย่างละเอียดพยาบาทอย่างละเอียดได้แล้วชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยการมาราคะและพยาบาทนั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอนาคามีบริบูรณ์ด้วยโสดาปิตลใช่ไหมปรใช่สกพระอนาคามีล่วงเลยโสดาปิตลไปแล้วมิใช่หรือ ปรใช่สกหากพระอนาคามีล่วงเลยโสดาปิผลไปแล้วท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอนาคามีบริบูรณ์ได้โสดาปิผลสกพระอนาคามีล่วงเลยโสดาปิผลไปแล้วชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยโสดาปิผลนั้นใช่ไหมปรใช่สกพระอนาคามีล่วงเลยโสดาปิมัจไปแล้วล่วงเลยสักยทิฐิ ล่วงเลยโมหะที่เป็นเหตุให้จัดไปสู่อบายได้แล้วชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยสภาวธรรมมีสักกยติถิเป็นต้นนั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอนาคามีบริบูรณ์ด้วยสั ก, กทาคามิผลใช่ไหมปรใช่สกพระอนาคามีล่วงเลยสั ก, กทาคาามิผลไปแล้วมิใช่หรือปรใช่สก หาพระอนาคามีล um so, ่วงเลยสกทาคามิผลไปแล้วท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอนาคามีบริบูรณ์ด้วยสกทาคามิผลสกพระอนาคามีล่วงเลยสกทาคามิผลไปแล้วชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยสกทาคามิผลนั้นใช่ไหมปรใช่สกพระอนาคามีล่วงเลยสกทาคาไมมักไปแล้วล่วงเลยกามราคะอย่างหยาบพยาบาทอย่างหยาบได้แล้ว ชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยกรารมราคะและพิยาบาทนั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระสกทาคามีบริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิพั์ใช่ไหมปรใช่สกพระสกทาคามีล่วงเลยโสดาปฏิพั์ไปแล้วมิใช่หรือปรใช่สกหากพระสกทาคามีล่วงเลยโสดาปฏิพั์ไปแล้วท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า พระสกทาคามีบริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิพันธ์สกพระสกทาคามีล่วงเลยโสดาปฏิพันธไปแล้วชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิพันธ์นั้นใช่ไหมปรใช่สกพระสกทาคามีล่วงเลยโสดาปฏิมรักไปแล้วล่วงเลยสักยทิฐิล่วงเลยโมหะที่เป็นเหตุที่จัดไปสู่อบายได้แล้วชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยสภาวะธรรม มีสักกยติขิเป็นต้นนั้นใช่ไหมปอรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสา6สหปอรท่านไม่ยอมรับว่าพระอรหันต์บริบูรณ์ด้วยผลสีใช่ไหมสกใช่ปอรรพระอรหันต์ได้ผลสีแล้วยังไม่เสื่อมจากผลสีนั้นไม่ใช่หรือสอกอใช่ปอรรหากพระอรหันต์ได้ผลสีแล้วยังไม่เสื่อมจากผลสีนั้น ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระอรหันต์บริบูรณ์ด้วยผลสี่ปรท่านไม่ยอมรับว่าพระอนาคามีบริบูรณ์ด้วยผลสามใช่ไหมสกใช่ปรพระอนาคามีได้ผลสามแล้วยังไม่เสื่อมจากผลสามนั้นนิใช่หรือสกใช่ปรหากพระอนาคามีได้ผลสามแล้วยังไม่เสื่อมจากผลสามนั้น ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระอนาคามีบริบูรณ์ด้วยผลสามปรท่านไม่ยอมรับว่าพระสกทาคามีบริบูรณ์ด้วยผลสองใช่ไหมสกใช่ปรพระสกทาคามีได้ผลสองแล้วยังไม่เสื่อมจากผลสองนั้นไม่ใช่หรือสกใช่ปรหากพระสกทาคามีได้ผลสองแล้วยังไม่เสื่อมจากผลสองนั้น ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระสกทาคามีบริบูรณ์ด้วยผลสองสกพระอรหันต์ได้ผลสีแล้วยังไม่เสื่อมจากผลสีนั้นดังนั้นจนึงชื่อว่าบริบูรณ์ได้ผลสีใช่ไหมปรใช่สกพระอรหันต์ได้มรสีแล้วยังไม่เสื่อมจากมรสีนั้นดังนั้นจึงชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยมรสีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกพระอนาคามีได้ผลสามแล้วยังไม่เสื่อมจากผลสามนั้นดังนั้นจึงชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยผลสามใช่ไหมปรใช่สกพระอนาคามีได้มรรสามแล้วยังไม่เสื่อมจากมรรสามนั้นดังนั้นจึงชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยมรรสามใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระสกทาคามีได้ผลสองแล้วยังไม่เสื่อมจากผลสองนั้น ดังนั้นจึงชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยผลสองใช่ไหมปอรอใช่สกพระสกะทาคามีได้มรรคสองแล้วยังไม่เสื่อมจากมรรคสองนั้นดังนั้นจึงชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยมรรคสองใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสมณ น, นาคตากถาจบ